การปฏิบัติถึงข่าวเด็ดมันต้องได้เด็ด ถ, ถึงข่าวเฉียบขาดต้องเฉียบขาดมันเป็นไปในในจิตนเองถึงข่าวจะอารมก็ต้องอารมณ์ถึงข่าวจะผ่อนผันท่านยาไปตามเหตุตามการตามธาตุตามขันมันก็มีอถึงข่าวที่จะหมุนติ้วไปตามอัดตามทำโดยไถ่ยเยี่อมมันก็มีอะไรอะไรจะ สลายไปไหนก็ไปเถอะอันจิตกับธรรมจนสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็ไ ม, ม่การคิดเป็นจิตเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวที่จิตไม่ใช่ประเภทเดียวประเภ ท, ทคือคนลงอย่างหนักมือก็ไม่ประเภทที่ควรจะ มันเรื่งยาวไปตามมันก็มีตามการตามสมัยเรือ่องตามเกี่ยวเรื่องสาเรื่ขัน เ, เรื่องกำลังข่ า, งาของตัวนก็ไมีมข่าวที่จะทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็มีเมื่อถึงข่าวเช่นั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันทําบอกในจิตเองเอาเอาทุ่มลงให้หมดน่ะให้ลงหมดแม้ี่สุดตรงกระทั่งว่าจิตเอาจิตจะหนับไปด้วยการพิษ ด้วยการพิจนารณาในสิ่งข้าที่เห็นว่าดับไปดับไปก็ให้รู้ว่าจิตมันดับจนไม่มีอะไรเหลือเป็นความรู้อยู่เลยในในร่างของเหล่านี้ก็ให้มันรู้นั่นถึงถึงข่าวที่จิตมันจะล้างล้างโลกออกจากใจเนี่ยโลกคือกิเลสสมมติทั้งปวงที่มันแท้สิ่งพาจิตใจร่วมมันเป็น กองยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าตามอยู่ภายในจิตมีแบบสงครามล้างโลกทิ้งขาวที่ันล้างทั้งหมดเอาจนขนาดนั้นเลยจนล้างไปจนกระทั่งกิตจะไม่มีอะไรเหลือเลยเอา้าวมันไปด้วยการเสียที่เลศมันก็ดับไปดับไปดับไปกิตที่รู้นี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทําลายด้วยสติปัญญาก็เอาให้มันเห็นว่าไม่ต้องเสียดายแล้วหาความจริงอา้าวมันดับลงไปให้ใหรู้ว่าเป็นความจริงอันหนึ่ง ถ้าว่าความรู้ยังมีอยู่ท้าไ ม, ม่มีก็ให้มันเห็นทำไมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ดับไปธรรมาชาติที่บริสุทธิ์ทำไมยังอยู่อยู่ในโลกสาวกอรหรันอรหรันท่านบำเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรๆสิ้นสุดดับศูญไปหมดภ า, ายในจิตใจแต่ทำไมคำ ว, ว่าบริสุทธิ์ถึงไม่ดับเหตุใดที่นี้เราทั้งทึงจะมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะด้ว ท, ทํำลายจิตใจลงไปจนกระทั่งดับไปซะหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยี่ก็ให้มันเห็นเอถ้ามันจะแหวกนแนวจากหลักธรรมกุ้เจ้าจิตก็ให้มันเห็นแต่จะไม่แหวกถ้าลงขนาดนั้นแล้วจะไม่แหวกมันจะเห็นในตัวอย่างทัเทยอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้รบกับพิแุษอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่า กิเลสทับจิตใจมันไม่มีในหลวงความโกรธเป็นกิเลสประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นกิเลสแต่แล้วประเภทประเภทมันทับผมจิตใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจเราไม่ ม, มีอะไรจะพึ่งยิ่งกว่านีก้การแก้วความโกรธด้วย อ, อุบายต่างๆการแก้ความโลภความหลงด้วย อ, อุบายต่างๆ มันก็ต้องได้ทำหนักมือต้องเป็นทุกข์ด้วยการกระทำเหมือนกันที่เละทับผมเราเป็นทุกข์แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้กับทีเลสเป็นทุกข์แต่ได้รับผลประโยชน์คือที่เละสลายตัวลงไปโดยลำดับดง่ๆสุดท้ายจนที่เละไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการทุกข์การทัพสู้กับทิ่เละที่เป็นทุกข์ หรือเราเป็นทุกข์เพราะกันสู้กับวิเลศผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขอย่างไมนคาดไม่ฝันเราต้องเชื่อเสียงเหตุผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สอบแสวงหาเหตุก่อควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของวิเลศจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามต่อสอง อันไหนที่ในหน้าเป็นไทยต้องได้รับต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่ไม่เรียกว่าต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อแก้ความทุกข์นั้นออกจากตัวเองที่เรียกว่าการสู้เท่านั้นแต่ลัมมาก็ต้องสู้ฝืนจะคิดกันมากมากก็ยิ่งต่อยไฟให้เผาเราทั้งหมด ในดวงใจหาความสุขไม่ได้เลยรุ้บายวิธีแก้จะของของแก้แล้ปกติของจิตถ้าเราเสริมเท่าไรคล้อยไปตามเท่าไหรมันยิ่งจะคิดจะกรุมทั้งแต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนมุ่นมาแต่ตมได้เลยนั่งอยู่ก็เป็นทุกนอนอยู่ก็เป็นทุกมยู่ที่ไหนไมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นเป็นไฟทั้งกองฉะนั้นการแก้จริงแก้ลมที่จุดนี้น การระงับการแก้ไขาการเพื่อบายปัญญาคือหนักบ้างเบาบ้างคุกบ้างลำบากขนาดไหนก็ตามอยอมสู้เพื่อให้จิตในค้นจากไัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเกรื่ที่ไม่ดีนั้นไม่ได้รับความจิดขึ้นมาโดยนั่น เ, ร, เราต้องยอมเราต้องสู้ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้น เป็นผู้รักตนไม่ปล่อยอะไรให้เข้ามาเผารวมัเลยต้อยอาวันนั่งคำคืนนั่งลงแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามนัทธากรรมมันก็เป็นเร่องนักธากรรมไปเลยหาสาระภายในอีกใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมาย ภายในตัวเองเพราะเราทั้งคนมีความหมายเต็มตัวเราจะปล่อยให้สิ่งที่มาทำลายความหมายมาทาลายสาระภายในจิตใจของเราโดยไม่มีการต้านทานไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันนั้นไม่สมควรเราแพ้ในวันนี้วันหลังแล้วก็แพ้อีกถ้าเราไม่สู้สิ่ง น, นั้น เพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ได้ถอยยิ่งเหยียบย่าทำลายลงหนักมือเขาโดยลงหนักถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขอ่ะอันนั้นมันก็เบาลงอะไรที่เกิดคุณคิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีแล้เรียกแก้มันก็มีทางกาเนิดก่อไปได้เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับอยู่ภายของจิตใจก็คือเรื่องของสิเหล ความรู้ความฝูงความหลงความนักความชังมันเป็นไทยเราให้รู้เหมือนเราแก้ันี่ยเราจะจับพ้นไปไม่ได้กพตามถ้ามีสิ่งแก้ไขกันมันก็พอท่างงานกันไปใช่นหมอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นยาแก้เป็นยาถอนพิษอย่างนั้นก็พอสู้กันไปได้ อนมีจตพิษไม่มียาเลยมันก็แย่สังสมกับพิษขึ้นพนาจิตใจหายอุบายแก้ไขไม่มีเลยอันนี้มันก็แย่ความตําหนิเรามากน้อยเป็นไงความตําหนิเขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าตําหนิไม่แก้มันไม่เกิดประโยชน์เราต้องแก้เพราะเราเป็นคนทั้งคนจิตทั้งดวงมีสานะเต็มตัว เราจะถ้าปล่อยให้สิ่งอื่นมาเยียดย่ำทำลายโดยไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันเลยนั่นไม่สมควรกับเราเป็นเจ้าของของจิตใจเราต้องคิดอย่างนี้เสมอทติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากหาอุบายคิดแก้ไขตัวเองในขณนะขณะ การภาวนาในท่านเริ่มแรกมันก็ต้องลำบากการกระทําทางกายมันก็ไม่ถนัดเห็นการนั่งเคยนั่งอย่างนั้นเคยนั่งเตียอย่างนี้แล้วจะพึ้นมานั่งอย่างนั้นในเบื้องตน้นมันก็ต้องลำบากแต่ต่อไปมันก็ค่อยเป็นไปเพราะการฝึก การเดินก็เหมือนกันยนเข้าไปการฝึกจิตนี่สำคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึกเคยปล่อยตามยะถากรรมมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันต่วันเกิดพึด่ายแล้วเราจะมาหากักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขนาดเดียวนะมันเป็นไปไม่ได้เราเริ่มฝึกก็คือเริ่มจะเริ่มหกักห้ามจิตใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่ม ท่านลมแดดเทือยยังไม่สามารถอ้าวเราปล่อยไปยครัเมื่อมันหนักพอมันจริงเราก็ปล่อยอันลมไปตามก่อนแต่หาทางที่จะแก้ไขมันอยูอ่เสมอวิภานจิตใจเพราะกาลังเรายังไม่พอจะไม่จะไม่ปล่อยก็จะสู้เขาได้ยังไงก็ต้องยอมก่อนเอ่ความทาความเข้าใจเอาไว้อแล้วค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆฝึกเข้าไปเรื่อยๆ วิธีการต่างๆาทุกบ้างทนเอาบ้างเป็นไรไปเราเคยทนทําไมในโลกนี้เกิดขึ้นมาใครต้องไปเจอทุกคนเรื่องทุกข์เพราะทนได้เราก็พอทนได้แต่เวลาเราจะทนบ้างในเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจที่รับความทุกข์ต่างๆนั้นเราทําไมจะทนไม่ได้สึ่งที่ควรจะทนหน้ามันยังมี พอทนได้เราก็ต้องทนโลกนี้ไม่ใช่โลกสุขล้วนๆมันมีทุกข์เจอาปนอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วไม่ว่างานใดมันมีทุกข์เจอาปนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทางานนี้ยงานทางโลกก็ต้องมีทุกข์เพราะการทำงานงานทางธรรมก็ต้องมีทุกข์เพราะการทำงานจะอยู่เฉยๆให้มันให้มีทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เราทำงานอยู่ให้มัน เฉยอยู่ไม่มีทุกข์นั่นเป็นไปไมด้านั่นต้องมีทุกข์เราก็ยอมรับประมาณหนึ่งเพราะการทํางานแต่ทุกข์เพราะการทํางานนี้มันเกิดผลไม่ใช่ทุกข์เฉยโรคเกิดขึ้นภายในกายของเราเป็นความทุกข์ความลำบากนันก็ไม่เกิดผลอะไรถ้าเราไม่พิจารณาให้เกิดผลถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลด้วยอุบายปัญญาต่างทุกข์นี้มันก็เป็นเครื่องหนปัญญาของเราให้แหลมคมได้แล้วเกิดผลเป็นความสงบสุข เป็นความรู้เท่าทันกันปล่อยความขังวนกันหด้เดินแบบเพราะทราบความจริงด้วยการพิจารณานี่ก็เป็นผลเราจะทำให้เกิดผลมันเกิดได้อย่างนั้นทำาะไรทำมันเกิดไม่ได้นะเรื่องคือว่าจะทำอะไรลงไปกลัวแต่ลาบากกลัวแต่ทุกข์หาแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ตัวเองนี้มันเคยเป็นมาแล้วขออย่าให้มมารบกวนเรามากมายนักเลย ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของดีแล้วมันจะมีอะไรมาต้านทานมาฝืนเราไม่อยากจะให้ทํานี่คืออุบายของเรื่องของอิเลทที่เคยเหนือนข้าใจเรามานานแล้วให้เราทราบมันจะบ้างว่า น, นี้คือเรื่องไฟต่ำมันจะมาเหยียบย่าทำลายเราจะมาอยู่เหนือจิตใจของเราควรจะถลักมันออกไปก็ผลักบ้างควจะต่อสู้หรือวิธีใดก็ต่อสู้บ้างเอาแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเมื่อมีการต่อสู้อยู่แสดงว่า ยังไม่ตายใจกับเข า, ออ ส, าสิเดียวต้องฝืนกันม้างอย่างนี้ผืนไปผืนมาความฝืนก็ค่อยเคยชินขึ้นมาอุบายแห่งการฝืนที่จะสนับสนุนในการฝืนมันก็มีขึ้นมาต่อไปมันก็ทันกันไปเองอย่ ล, ลืมคำว่ า, าพุทธังสนังกระฉามที่เคยแสดงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่เป็นผู้ ล้างมือควายเปิดถ้าหลบสไหด์ทางนคนไม่ทุกข์จะหลบสไหด์หรือมีความลำบากลำบนแค่ไหนนะนั่นะ่ะการทำงานเป็นอย่างไ น, นเป็นคติตัวอย่างได้ทุกท้าอาการที่พระองค์สแสดงออกมาเราในฐานะพุทธบุตรัตด์ไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกทุกขฎเกีย์ก็ตาม ได้แบบสึกมีครูก็ยังดีถือการเป็นคตัวอย่างทั้งการบําเพ็ญทั้งการยึดถือฝากเป็นฝากตายในองค์ุทธะคือพระพุทธเจ้าครูบริสุทธ์เดีมีเรากิเลสเป็นครูสัอย่างดีอหะถ้าเดียวยังเห็นกิเลสเป็นไทยบ้างครูนั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้ถ้าเห็นว่ากิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของกิเลส เ, เ, เ, เ, เป็นเรื่องเราจะต้อง มันก็หาทางแก้มาได้เพราะมันจะกระเทือนคําว่าเราสิ่งที่มันเป็นท่าศึกต่อเราที่จะให้รับความทุกข์ความลําบากงั้นเราเห็นว่าเป็นพิเรนเราก็พิเรนก็เป็นท่าศึกกันก็ต้องต่อสู้กันถ้ามีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนละคนไม่ใช่เป็นอันเดียวมันเสียจนหมดเนื่อหมดตัวเราเพียงพอมีสติบ้างนี่แหละความที่พอมีสตินี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ ความคิดต่างๆที่เห็นว่าไม่เป็นประเด็น์หรือจะเป็นโทษแก่เราอบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเห่านั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดัอย่างนี้ทุกขอยอมรบับการทํา ง, งานต้องทุกข์ทุกข์เพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาดที่เราสู้สู้ได้ขนาดไหนเราสู้กันไปทํากันไป ฟาฟืนกันไปบึกบืนกันไปขมกับเรายึดเข้าเหมาะสมกับผู้สะเกียบตะกายเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อเพื่อความเห็นทุกมีเป็นทางเดินของนับกบราท่านเคยสะเกียบตะกายมาแล้วก่อนที่ท่านจะหลุดพ้นวุ่นแน่กับ เป็นผู้ตะเกียกตกายมาด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดจะมาล้างมือเปลือกขอเฉพาะเราคนเดียวซึ่งเป็นลูกสิษย์ของคตาพุณแล้วแหวกแนวยุ่ปกครูอย่างเหลือหนัครูมีความทุกข์ลูกสิษย์เราก็ลูกสิษย์ก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากก็นอนต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้ก็ต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตบโดยชอบถาม ทุกขาะการงานยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะไอ้ทุกเวลาจะตายนี่สิใครจะช่วยเราได้ทุกในเวลาทำงานท่านมันทุกข์คมากเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกข์นั้นก็ระงับไปาอย่จะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงแล้วหยุด ความทุกข์มันก็ดับคือเรานั่งนานมันเป็นทุกข์เราหลุดเท่าก่อนทางนี้ทุกข์นั้นมันก็ดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกข์เวลาจะตายนั่นแหละมันระงับได้ไหมล่ะนี่สมมติวันนอนดูมันทุกข์ทุกข์หมดทั้งตัวเลยขณะนอนเราลุกขึ้นนั่งมันจะหายไหมมันก็ไม่หาย เดินมันจะเดินมันจะหายแล้วมันก็ไม่หายอาการใดมันก็ไม่หายฉะนั้นเอียบทั้งสี่เอามาต่อสู้หรือเอามาใช้กับความทุกข์ในขณะที่จะตายนั้นไม่ได้ผลทั้งนั้นง่นยถึงเราเอานี่มาเทียว บ, บ้างเนี่ยหรืวเวลาเรานั่งเรานั่งนานยืนนานเดินนานหรือต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะ ท, ที่มันเจ็บมันปวดขึ้นตอนที่เรานั่ง ทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณานี่ก็เกิดขึ้นมากน้อยถ้าสู้ไม่ไหวเราถอยได้นีอันหนึ่งเป็นข้อเทียบเสียมในขณะที่เราจะตายทุกขเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเราถอยไม่ได้ขอยหายาบทใดก็เป็นไฟไปได้วยกัน อันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบกันดู เ, เรายังจะทนทดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหวยังยังทนจนกระทั่งตาย อ, าอันนี้ยังพอสู้ไหวหอยู่นี่แล้วยังพอถอยได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ดเูเรามาเทียบตรงนี้ความขายันความบึกบึนความมีใจใจความอาหารนั่นก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเรียาอุบายปัญญาอันหนึ่ง เวลาจิตมันท้อถอยเอาอุบายปัญญานี้มาใช้มันก็หนุนขึ้นมาให้เกิดความข้าหาันไม่สะตกสถานต่อสู้กันได้ใครชนะไปนำลำดับในขณะนั้นก็ง่ายมีละอุท่านเรียกว่าอุบายปัญญาคิดดูให้ดีเรื่องเวลาจะตายมันมันเป็นอย่างนั้นโดยกันทุกรายไม่มีใครพอยกเว้นในยาบททั้งสี่จะเอาไปใช้ ประโยชนในการผ่อนคลายถึงเรองความทุกขเวทนาซึ่งจะ ซ, งซึ่งจะแสดงขึ้นในเวลาตานั้นมันไม่ได้ผลทั้งนั้นเลยมีแต่จะแตกท่าเดียวมีแต่ทุกค่าเดียวจนกระทั่งถึงแตกไปเลยอา้าวขนาที่เราจะสู้นี้ทําไมจะสู้กันไม่ได้มันไม่แตกนี่มันสู้ไม่ได้จริงเราถอยได้นี่อันหนึ่ง พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปอุบายปัญญาอย่างนี้ให้เราคิดเอาขณะที่มันจะตายเอาอะไรจะตายก็ตายไปเถอะเรื่องสติปัญญาได้แหลมคมเต็มที่แล้วภาณในจิตใจไม่รักษาดวงใจนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกเวทนาตัวใดที่จะเข้ามาเหยียบย่มทำลายจิตใจนี้ให้เสียไปได้หนีเรียกว่าแน่ใจเต็มที่ ทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปไม่มีอะไรดับนอกจากทุกที่เกิดขึ้นเท่านั้นดับไปนั่นคือทุกขเวทานาที่เกิดขึ้นภายในกายมีกายที่เป็นตัวเกิดนี้เท่านั้นเป็นผู้เป็นผู้จะดับเป็นผู้จะสลายไม่มีอันใดสลายนอกจากสิ่งที่ผสมกันนี้จะสลายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นจิตไม่มีอะไรจะผสมนอกจากที่เลสเท่านั้นมาผสมจิตที่เลสเป็นสิ่งที่ดับไปได้แต่ จ, จิตล้วนๆดับไม่ได้นั่นแล้วจิตจะดับไปไหน อะไรจะสลายจะสลายไปเสียดายมันอะไรความเสียดายเป็นความเยื่อใหญ่เป็นเรื่องกดท่วงิตใจอีกเหมือนกันความเสียดายนั้นคือความศูนคติธรรมนาแห่งหลักธรรมที่ท่านสอนไว้อาทุกข์จะเกิดขึ้นบ้างน้อยก็เรื่องของทุกข์ทุกข์จะตัง้งอยู่เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะดับไปก็เป็นเรื่องของทุกข์เราเป็นผู้รู้ทั้งที่ทุกข์ตัง้งขึ้นทั้งที่ทุกขเกิดขึ้นทั้งที่ทุกข์ตังงต้งอยู่ทั้งทีง่ทุกข์ดับไป ธรรมชาติที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้เกิดผู้ดบับแล้วจะกลัวความเกิดความดาบับกลัวความร่มความจมภายในจิตยอย่างไรกันออมันจะจมไปไหนเราพิจารณาเหานี้พิจารณาเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจได้เห็นทัดรูดทัดตามความจริงนี้แล้วจิตใจจะล่มจมไปไหนถึงตัวนักหนาในขณะจะตายออมันหลอกกันเฉยๆตามความเข้าใจของท่านของเราพระภูทึงทว่าหลอกกันนะ แต่ไม่มีใครจะเจตนาว่าหลอกว่า ต, าตายตายตายเนี่ยอืมโลกของสมมุติธรรมาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วโอ้ยมันหลอกท่านนายมันไม่มีอะไรตายถ้าตสีดินน้นลงไปสลายไปแล้วก็ไปอยู่ธาตุเดิมของเขาเนี่ยจิตผู้ถือตัวตายก็มันยิ่งเด่นมันไม่ตายนี่เห็นชัดชัดอย่างนี้มันอะไรมันจะตายอะไรจะสาเหตุที่ให้จิตตายมันไม่มีเห็นชัดชัดดูว่าไม่มีเนี่ยมันยิ่งเด่น ผู้ที่พิจารณาสิ่งทั้งหลายนั้ผู้รู้สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเด่นเอนี่แล้วไม่ห่วงอะไจะไปก็ไปถึงท่าวแล้วไปตามการตามข่าวผู้ที่รู้กันรู้ตามเหตุตามผลไม่ถอยในเรื่องรู้ผู้ที่สลายสลายไปไม่อะไรไม่เสียดายไม่ห่วงห่วงทําไมมันหนักยึดไว้ทําไมสิ่งเห่านี้น่ะ การรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันนั้นแหละคือความจริงไม่ต้องกังวลถึงอยู่ไปมันก็จะตายอย่างนี้อยู่เพื่อตายเนี่ยอยู่เพื่อแตกเนี่ยเวลานี้พิจารณาให้เห็นความแตกดับเคลียก่อนตั้งแต่ยังไม่แตกนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้มีปัญญาหนาเนี้ยคือขั้นสําคัญสาคัดผู้พิจารณาเช่นนี้จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเห็นชาติตามเป็นจริง อั้งที่ว่าเวทนามันอะไรก็เวทนามันเป็นเราเมื่อไหรมันเกิดขึ้นมันดับไปเราทําไมจึงเกิดขึ้นจังดับไปอยู่วนนันนั่งค่ำคืนยังรุ่งอย่างนั้นถ้าเป็นเราแล้วเอาที่ไหนเป็นความแน่ใจว่าเป็นเราถือสาระอะไรว่าเป็นเราได้ทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ว่าเราเกิดขึ้นทุกเวท น, นาดับไปก็ว่าเราดับไปฮหมมีแต่เราเกิดเราดับอยู่วันนั่งค่ำหาความแน่นอนที่ไหนได้ถ้าเราจะไปเอาเรากับทุกเวทนา มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหะเล้วไหลอืเพราะฉะนั้นเพื่อความจริงเพื่อความไม่เล้วไหลก็ให้ทราบทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้ทราบว่าทุกมันเกิดขึ้นมากก็ตามว่าก็ตามคือเรื่องของทุกน่ะมันตั้งอยู่ก็คือเรื่องของทุกมันดับไปก็คือเพื่อเรื่องของทุกเราผู้พูดทั้งเกิดทั้งทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความรู้นี่เอาใกลย เหมือนกันเมตนาสัญญาจําได้แล้วมันดับจําได้แล้วมันดับเราเห็นไหมมันเกิดมันดับอย่างนั้นเป็นเราได้ยังไงเอาความแน่นอนกับมันที่ไหนท่านจึงเล่าว่าสัญญาอิจารสัญญาหน้า ต, ตาสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงเท่าไหร่มันดับเพราะไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราจะเอาเราเข้าไปสู่สังขารเราเกิดดับวันย่าง่ําหาความสุขไม่ได้เลยนั่นยึง ญ, ญาน มันกระทบทางตาทางหูทางจยูกทางนี้ทางกายกระทบเมื่อไรมันลู้รู่รู้ระดับดับระดับระดับไปพร้อมๆกันทั้งขนาดที่เกิดที่ดับมันขึ้นในขณะเดียวกันแล้วว่จะเกิดดับเกิดดับระดับอย่างนั้นเราหาความแน่นอนเชี่องตรงได้อย่างไรนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหลคือใจอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ตายตัวขอให้รู้สิ่งภายนอกอันจําป้อมทั้งหลายนี้ว่า เป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นจิตนี้จะตั้งตัวได้อย่างตรงแนวไม่หวั่นไหวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่วันไหวไม่เกิดขึ้นก็ไม่วันไหวจะหนับไปก็ไม่มีอะไรหวันไหวเพราะจิตรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการที่อาศัยกันอยู่และรู้ทั้งตัวจริงคือธรรมชาติของจิตแท้ว่าเป็นตัวของตัวแท้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยปัญญาที่ทราบว่าด้วยดีแล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอน นี่ละท่านผู้แน่นอนคือท่านพูดรู้ธรรมชาติที่แน่นอนและรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตามความเป็นจริงต้อยวางฉลาดปัดทิ้งออกตามส่วนของมันส่วนไหนที่กินให้อยู่ตามธรรมชาติของความจริงของตอนมีจิตเป็นต้นนี่นี่หลักความกริงนี่หลักวิชาที่เรียนมาเพื่อป้องกันตัวเพื่อรักษาตัวเพื่อความพ้นภัย เพื่อปลุกเปื้องทุกทั้งหลายออกจากตัว น, นี่คือหลักวิชาแท้เรียนธรรมะเรียนอย่างนี้เรียนเรื่องของตัวเองเรียนเรื่องความรู้ความคิดต่างๆเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้าอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนถึงกับว่าเป็นตนของตนนี้ให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกอาการแล้วปล่อยวางไว้ตารสภาพนาการของมันนี่เรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิบัติ เรียกว่ารู้รู้ทันละสะถอ น, นถ้ารู้จริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยเกระทบจิตใจของเราเนื่องมาจากอวทางมันก็หมดไปหมดไปเงเยวาวจิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจำตนเองจากความน้ำพันทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นพ้นอย่างนี้แล ที่ว่าจิตหยุดพลไม่ได้โดดห่อเหินโดนฟ้ากันไปที่ไหนพ้นที่มันตรงที่มันคล้องนั่นแหละที่มันถูกจองจำนั่นแหละไม่ได้พ้นที่ไหนรู้ที่มันหลงนั่นแหละสว่างที่มันมืดนั่นเองนี่จิตสว่างสว่างที่ตรงที่มืดคือมืดมนอนตการมืดอยู่ภายในตัวเองเวลาพิจารณาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นซองแสงซองแสงสว่างให้เห็นตามความปริน ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโกลนทราว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอโดยลําดับลําดับลาดับเนี่ยสลัดออกได้โดยลําดับลําดับอืมความสว่างรอบตัวปล่อยได้หมดมอืมทำโมปาดิโปจะหมายถึงอะไรถ้าไห ม, มายถึงจิต ด, ดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวพนเลยมีจะหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าทำแท้ทำแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้ เรียนในคำพีเรียนมากเท่าไหร่ก็เป็นความจำเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ตามำตำหนักตำหลเราเรียนจำเท่าไหร่ก็มีแต่ความจำไม่ใช่เป็นปลงตัวแท้เอาความจำนั้นเอาเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงจนรากวดขึ้นเป็นธรรมโมปิปูปเฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้เป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละคือสมบัติของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้ที่ประทานศาสนาไวา้ให้รู้จริงเห็นจริงตามนี้ สันทิฏิโกไม่ได้ผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองถหงนเองปัจจตังเวริต บ, บวินยหีท่านผู้รู้ท่างไหนจะพึงรู้จำาพระตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้เกิดผลเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอเ อ, อีแสนสมัยหมดตังวลโลกจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่วุ่นวายในขณะนี้ก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นเพราะผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลง เรื่องโลกมันยิ่งเป็นอาการกว้างฝวางมากมายไกลจากตัวของเราไปเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือขันห้ากับจิตนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันจนจะแยกกันไม่ออกแต่นี้เรายังสามารถแยกออกทําไมเราจะไปหลงเรื่องของโลกไกลโน้่นการปฏิบัติผลเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นอให้ผิดขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาปัญญาหุงต้มกินไม่ได้ใช้ที่จะแก้ที่เลช ใช้ที่จะแก้ความงงกับของเท่านั้นให้พิจารณากันเรียนตรงนี้เรียนทำอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมาแตากองเพราะทุกอยู่ตรงนี้โทษไทยมนอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณพาอันสาคัญสำคัก็เกิดที่นี่อลละัการลาะห์ฮัมมัเห็นิมัติุนว